ขั้นที่3ทางพระพุทธศาสนานี้จะต้องนำเอาไปทดสอบว่าความรู้ที่ได้เรียนรู้มานี้สามารถดับความทุกข์ได้จริงหรือไม่การที่จะนำาเอาความรู้ขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองมาเป็นความรู้ขั้นที่สามนี้จําเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติ ทำใจให้นิ่งให้สงบเป็นสมาธิก่อนปัญญาขั้นที่สามนี้จึงเรียกว่าสามาภาวนาเมยปัญญาขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสุตมะยปัญญาสุตะแปลว่าการได้ยินได้ฟังปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังเรียกว่าสุตมะยปัญญา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 ต้องตายไปเป็นธรรมดาต้องพัดพรากจากการเป็นธรรมดานี่แปลว่าไม่เที่ยงนี่คือความรู้ที่พระพุทธเจ้าสงสอนให้พวกเรารู้กันให้รู้ว่าร่างกายของพวกเราทุกคนนี้ไม่เที่ยง เ, เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากการเป็นธรรมดา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 อ, อนนนวันหนึ่งเธอพิจารณาอนิจจังคือความไม่เที่ยงของร่างกายวันละสักกี่ครั้งกันเพระนนท์บอกผมก็พิจารณาประมาณสี่ห้าครั้งเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนพระพุทธเจ้าบอกว่าอานนนเธอยังประมาทอยู่เธอยังพิจารณาไม่พ อ, เ, อ, อเพราะมัน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 หยุดเหตุที่ทำให้ใจของเราทุกได้เราต้องมาภาวนากันมาเจริญสมถาภาวนาเพื่อให้เกิดสมาธิสมาธินี้ต้องเป็นอัปปนาสมาธิสมาธินี้มีสามรูปแบบด้วยกันสมาธิรูปแบบที่หนึ่งเรียกว่าคณนิกะสมาธิรูปแบบที่สองเรียกว่าอัปปนาสมาธิ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 ควมพัดพากจากกันได้ใจจะมีความกลัวขึ้นมาทันทีกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายดังนั้นสมาธิแบบนี้เป็นสมาธิที่เรียกว่ามิจฉาสมาธิถึงแม้ว่าจะมีความวิเศษวิโสมีอภินญามีความสามารถพิเศษแต่มันความสามารถที่เอาไปใช้ในการดับความทุกข์ไม่ได้เป็นความ สามารถที่จะส่งเสริมความทุกข์ให้เกิดขึ้นพอเวลามีอภิน ญ, ญามีความสามารถพิเศษก็จะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาขึ้นมาได้คิดว่าตนเองวิเศษเพราะมีความสามารถพิเศษก็เลยหลงตนเองล้าก็เกิดความอยากเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาเช่นพระเทวทัตนี้ก็ได้อุปจารสมาธิ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 เท่าที่ได้ยินในหมู่วงของการปฏิบัติก็มกักจะชอบคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการมีอภิน ญ, ญาต่างๆนั่งสมาธิเพื่อให้เห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นการ เ, าเห็นการเห็นระลึกชาติได้ติดต่อกับเทวดาได้อะไรต่างๆเหล่านี้ผู้ที่ไม่รู้จริงก็ไปหลงคิดว่านี่แหละคือผลที่ต้องเกิดจากการนั่งสมาธิ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 เพราะใจมีอุเบกขาอันนี้แหละอุเบกขานี้จึงเป็นตัวสําคัญต่อการที่จะทําใจให้นิ่งให้สงบให้ไม่ให้ทุกข์กับความแก่ ques, ความเจ็บความตายไม่ทุกข์กับอนิจจงกับของทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอนิจจงไม่ให้อยากกับของทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอนิจจ์ไม่ให้อยากกับของที่เป็นอนัตตา อนิจจังอนัตตานี้มาด้วยกันของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แม้ว่าจะเป็นร่างกายหรือสิ่งของต่างๆนี้เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาทั้งนั้นจะทุกข์หรือไม่อยู่ที่ใจว่ามีปัญญาคือภาวนาไมายปัญญาหรือไม่ถ้าใจที่มีภาวนาไมายปัญญาจะไม่ทุกข์กับสิ่งที่เป็นอนิจจังสิ่งที่เป็นอนัตตา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 ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นราบยศสรรเสริญก็ไม่ทุกมันก็เป็นอนิจจังเหมือนกันราบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ไม่เที่ยงจะิญได้มันก็เสื่อมได้เจริญลาบมันก็มีวันหมดได้เจริญยศมันก็มีวันหมดได้เจริญสรรเสริญมันก็มีวันหมดได้จะเลินสุขมันก็มีวันหมดได้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 นันมีแฟนอย่างนั้นมีอย่างนี้มีลูกอย่างนั้นอย่างนี้คุยกันโอ้อวดกัน่งกันไปจิตไม่มีวันที่จะนิ่งได้นั่งสมาธิก็สงบไม่ได้าะหยุดความคิดไม่ได้ดันั้นนอกจากไปปีกเวเวกแล้วยังต้องไม่คุกคีกันเช่นไปอยู่ที่วัดต่างคนต้องต่างอยู่กันอยาคุยกันถึงแม้เวลามาทากิจกรรมก็ไม่ให้คุยกัน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 มันก็สงบได้เป็นอุเบกขาขึ้นมาได้ น, นี่แหละคือความสิ่งที่จะต้องปฏิบัตินอกเหนือจากการฟังเทศฟังธรรมแล้วนอกเหนือจากการทำการบ้านคือนาธรรมะที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปทบทวนอยู่เรื่อยๆไปพิจารณาอยู่เนืองๆ เ, เนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาพุทธเราพิจารณาอยู่เนืองๆว่า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 และเวลาเกิดเหตุการณ์จริงถึงแม้ว่ายังจะหยุดความทุกข์ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนตรับรองได้ว่าความทุกข์นี้จะเบาลงไปจะไม่เศร้าโศกเสียใจถึงกับอยากจะข้าตัวตายเหมือนคนบางคนที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะต้องมีการพัดพากจากคนที่เรารักพอสูญเสียคนที่รักไปนี่บางทีอยากจะข้าตัวตายเลยแต่ถ้าเป็นคนที่มีปัญญาทางพุทธศาสนา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 ด้วยการอยู่กับปัจจุบันต่อไปอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกดังนั้นการทำสมาธินี่เป็นธรรมที่จำเป็นอย่างยิ่งไม่เะนั้นลรวพุทธเจ้าจะสอนศีลสมาธิปัญญาทำไมจะสอนสัมมาสมาธิสมัยสอนสัมมาสติทำไมมรรคแปดก็ไม่ต้องมีมรรคแปดเอาแค่มรรคหกก็พอมีศีลกับปัญญาก็พอ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 กันที่สองก็เพียงแต่ทำให้เราไม่ให้ลืมปัญญาความรู้เหล่านี้ถ้าเราฟังหนึเดียวแล้วเราไม่เอามาคิดต่อเดี๋ยวเราไปทำงานทำการทำธุระอะไรต่างๆเดี๋ยวความรู้ที่ได้เกิดจากการได้ยินได้ฟังทำก็หายไปหมดดีถึงบางทีต้องกลับมาฟังทำอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะว่าฟังวันนี้แล้วเดี๋ยวอีกสองวันก็หายไปละลืมลวอทิย์หนก็ต้องมาฟังใหม่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 เือที่เราจะได้นําเอาไปใช้ดับความทุกข์ให้มันหมดไปจากจิตจากใจดับการเกิดแก่เจ็บตายดับการเวียนว่ายตายเกิดจะดับได้ด้วยปัญญา 3. ระดับนี้ระดับที่หนึ่งสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังระดับที่สองจินตามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการใ่้ควรทบทวนพิจารณาอยู่เนือง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 ขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวาเิวะหาปุราปาริบปุเรนติสาขังเอวเมวะอิตุทินางเปตานาังอุ ป, ปกบปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปวเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกะ้า จันททปนะราโสยธามนิโจติราโสยธาสัพพิตโยิวหะจันตุสัพพโรโวิวนัสตตมาเตภวะตอันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังวุฒาปจายโน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 ห้าร้อยี่สิบคนครับพระอาจารย์ห้าร้อยี่สิบคนก อ, อยากจะถามคาถามเมื่อกี้ก็เข้ามาถามได้นะเมื่อกี้จะถามไม่ให้ถามตอนนี้ให้ถามไม่ถา ม, มพอเวลาไม่ใช่เวลาถา ม, ม เ, าเวลาถามช่วงนี้จนถึงเวลาเลิกนะเวลาเลิกเราอย่าถามตอนนี้ถ้าไม่มีใครถามก็จะให้ทางบ้านถามเข้ามาก่อน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 แต่ที่เขาไม่ให้แตะเนื้อต้องตัวเพราะกลัวเดี๋ยวจะทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปแตะเนื้อต้องตัวแต่ถ้าจาเป็นจะต้องอาบน้ำแต่งตัวให้เขาหรือทำอะไรให้เขาอุม้มเขาอย่างนี้ถ้าเราเป็นคนเลี้ยงคนเดียวก็ต้องจำเป็นก็ต้องทำไปแต่เราก็ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ของเราอย่าไปทาให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาก็แล้วกัน คำถามจากทางเฟซบุ๊กนะคะจากคุณศักดิ์สิทธิ์ค่ะกับเรียนถามพระอาจารย์ครับจิตรวมเข้าสู่สมาธิขณะสวดมนต์และอีกครั้งในขณะเดินจงกรมอยู่ควรปฏิบัติอย่างไรจึงถูกต้องครับอ่าวก็ให้มันรวมสิมันรวมก็ถูกต้องแล้วพยายามมันรวมบ่อยๆรวมทุกครั้งที่เราต้องการหมดแล้วเลยอ่าดีวันนี้คาถามน้อย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 จุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องแม่นยำถ้าไม่ดูแผนที่ออกเดินทางก็หลงได้อย่างบางท่านมาที่นี่ถ้าไม่มีแผนที่มาไม่ถึงต้องแวะไปถามคนบอกทางก่อนถึงจะมาได้ดัง mm ั hmm. ้นก่อนที่เราจะปฏิบัติทำได้ผลเราต้องรู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก่อนการจะรู้ผลรู้วิธีที่ถูกต้องก็ต้องศึกษา คือการได้ยินได้ฟังธทมหรือการสอบถามถ้าเราไม่เข้าใจในส่วนไหนเราก็ต้องถามผู้รู้เพื่อให้เขาด้วยชีย้แจงอธิบายให้เข้าใจเพื่อเราจะได้นำมาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องพอเรารู้ว่าต้องทำอย่างไรแล้วเราปฏิบัติที่ถูกต้องผลก็จะปรากฏขึ้นมามีคำถามอย่างยังคำถามจะคุณสัมพโลค่ะ ถ้าฝึกปฏิบัติจเจริญสติสมาธิจนสามารถยกขึ้นเป็นวิปัสสนากรรมฐานจะสามารถแก้กรรมที่เราได้กระทํามาได้หรือไม่ครับ อ, อ๋อกำเก่าแก้ไม่ได้หรออยู่ที่ว่ามันจะตามเราทันหรือไม่เท่านั้นเองคําถามจะคุณเพลินค่ะการดูจิตขณะปฏิบัติให้ดูที่ตรงไหนครับไม่รู้เหมือนกันเพราะเราไม่เคยสอนให้ดูจิตสอนให้พุโทโธสอนให้ดูร่างกาย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 แต่ถ้ารู้ว่ามันรู้ว่ามันโลภแต่ก็ยังหยุดมันไม่ได้อยากจะสูบกเ็เลยรู้ว่าอยากสูบกเ็เลยแต่ก็หยุดมันไม่ได้ไก็ดูไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอดูแล้วมันต้องหยุดมันได้เหมือนขับรถเนี่ยขับรถแล้วต้องดูทางดูว่ามันอยู่ในทางหรือเปล่าถ้ามันออกนอกลูบ น, นอกทางเราก็ต้องดึงมันกลับเข้ามาให้ได้อถ้าดึงกลับมาไม่ได้เหมือนคนเมาแล้วขับอย่างนี้ก็อยากขับดีกว่า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 ถ้าทำแล้วมันก็ต้องรอให้มันส่งผลช้าหรือเร็วอันนี้ไม่มีใครรู้หมดแล้วใช่ไหมดีไหมทำเองค่ะท เ, เลยทำเองพระอาจารย์คะปัญญาที่ที่ไม่ได้เกิดจากการภาวนาไม่มีอุเบกขามาลองรับนี่เป็นแค่ปัญญาคือเกิดเป็นแค่สัญญาความจำใช่ไหมคะก็ะนั่นแหละความคิดไอ้ปัญญาสองอันนี้ก็เป็นความจำไง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 จากคำถามจากคุณขันติพงศ์ค่ะเมื่อจิตเป็นสมาธิจะยกทำมาพิจารณาแต่พิจารณาไปได้สักพักยังไม่ได้ผลที่แยกคายจิตมันหยุดพิจารณาไปดื้อๆแสดงว่าสมาธิไม่ดีพอสติไม่พอใช่ไหมครับเกิดความเปลี่ยนก็ได้อาจจะไม่ใช่เป็นสติสมาธิอาจจะเป็นความขี้เกียจก็ได้ก็ต้องยกขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยๆอย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 พอคิดถึงเวลาที่มันออกมาจากในซุ้วมันมันจะได้โอ้ไม่กินดีกว่ามีคําถามจากคุณนรินทร์นะคะทําไมท่านถึงว่าพระโสดาบันคือผู้ที่ไม่ถดถอยแล้วแต่พรมยังถดถอยอยู่ทั้งๆ ท, ท, ที่ต้องเกิดใหม่เหมือนกันแต่ผู้ที่ไปเกิดเป็นพรมน่าจะมีสติกับสมาธิสูงกว่าไม่หละพรมเนี่ยมี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 เ็ถึงมาตามจองเวรจองกรรมเราอย่างนี้ก็ดีต่อไปกูทำบาปเสร็จแล้วกูทำเป็นลือมไปเรื <laughs> ่อคนที่ก็ถูกทำด้วยเขาไม่ลือมมันสิเวลาคนอื่นเขามาทำเราเราลืมหเปล่าใช่ไหมคำถามจากคุณกิติยาค่ะเวลานั่งสมาธิเหมือนจิตหลับลึก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 แต่ท่านมีความปราถนาจะสร้างทานบา ร, รมีอย่างมากท่านเื่อว่าเป็นการทดสอบใจท่านรู้เปล่าที่ท่านให้เขาไปเนี่ยทดสอบว่าใจนี่เป็นทานจริงหรือไม่ยังรักยังหวงอะไรอยู่หรือเปล่าท่านจึงก็ท่านก็เห็นว่าท่านก็อาจจะไม่ว่างที่จะมาเลี้ยงลูกท่านจะไปภาวนาไปไปปีกเว่ยเวกเนี้ยพวมีคนมาอาสารับไปเลี้ยงให้ท่านก็โอเคเ อ, อ่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 มีคำถามค่ะทำไมบางทีบอกให้ไปชั้นพรหมดีกว่าไปสวรรค์คะอันไหนดีกว่าเจ้าคะ อ, อ๋สวรรค์พรหมก็เป็นสวรรค์นี้สวรรค์มีสองระดับระดับเทพกับระดับพรหมระดับเทพนี้เป็นถ้าโรงแรมก็ระดับสามดาวนี่ถ้าระดับพรหมก็ห้าดาวอย่างนี้มันมีความสุขที่มากกว่ากันความสุขที่ต่างกัน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 แล้วเราก็ไปขึ้นบันไดขั้นที่สามต่อไปเพระนั้นบุญมันก็มีหลายขั้นเช่นถ้าเราขั้นต้นเราเริ่มเราก็ทำบุญทำทานไปก่อนพอเราทำบุญหมดสละเงินทองหมดไปบวชเราก็ไม่ต้องมาทำทานนะพอเราทำทานเพื่อให้ให้เราไปบวชได้เมื่อเราไปบวชได้เราก็ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเราก็อยากไปหาเงินทองมาทำบุญทำทานอานี้อันนี้เรียกว่าติดบุญขั้นที่หนึ่งแล้ว ต้องปล่อยบุญขั้นที่หนึ่งเพราะเมื่อเราอยู่ขั้นที่สองเราก็ต้องติดบุญขั้นที่สองคือรักษาศีลไปให้บ่อยสุดเพื่อจะได้ขึ้นขั้นที่สามเป็นการภาวนาต่อไปบุญมันเป็นขั้นขั้นมี่เรียกว่าการทำบุญที่เราจะต้องรู้ว่าถึงขั้นไหนที่เราต้องปล่อยหรือไม่ปล่อยเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา